ก็ไปไหว้พระอาทิตย์ไหว้พระจันทร์แล้วก็นแนะนำมันให้ไปไหว้งูงูนี่เป็นเชื้อสายของพญาะะนาคเนี่ยในสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกก็คนก็ไม่รู้จักหนทางออกจากทุกข์โดยถูกต้อง นั่นลองคิดดูยังไปทำเช่นนั้นมันจะเป็นทางพ้นทุกข์ได้อย่างไรอะ่ะเอาไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอย่างนี้เสียเคราะ์สะดาะ <c oughs> น้ำอันนี่เราเกิดมาในยุคนี้สมัยนี้ก็ด้ว่าพุทธศาสนาก็ยังอยู่ ใ น, นเมื่อเรามาได้ศึกษาเขาทำคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ควรจะรู้ได้ไม่ใช่หรือทุกคนนะว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนผู้ใ ด, ดทํากรรมดีก็ย่อมได้รับผลดีอมีความสุขเป็นผลผู้ใ ด, ดทำกรรมชั่วก็ได้รับความชั่วมีความทุกข์เป็นผล สุขทุกข์ไม่ได้มาแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆในสากล โ, โลกนี่สุขทุกข์มันเกิดจากการกระทําของตัวเองแต่ละคนนี่นะได้เข้าใจไหมล่ะได้นึกคิดกันไหมอันนี้เนะ่ะเบื้องต้นของอุทธศสาสนานะ <c oughs> ถ้าผู้ใดไม่เห็นอย่างนี้ ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพุทธศาสนาสอนให้คนเราละชั่วทำดีด้วยตนเองไม่ได้สอนให้วนวอนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยให้มาช่วยปัดเป่าความทุกข์ ความเดือดร้อนต่างๆออกไปแล้วอาให้นําเอาความสุขมาให้แก่ตนอย่างนี้อ <c oughs> พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นเลยเพราะว่าสิ่งภายนอกนั้นมันไม่สามารถที่จะมาบรรดาลความสุขหรือความทุกข์ให้แก่คนเราเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมของตน ผู้ดดทำกรรมอย่างไรก็ต้องสว่วยผลกรรมของตนอยู่อย่างนั้นและมันจะไปทำอะไรผู้อื่นได้อยู่นั้นเราต้องคิดให้มันเห็นเราผู้ฟังธรรมเราผู้นับถือบุตรศาสนาอย่าไปงมงายอย่าไปให้เขาหลอกเอาเงินเอาทอง <c oughs> อย่าเจ็บใครได้ป่วยลงคนมีหมอมาทำนาย เคราะห์ร้ายนะคุณนะกำลังไอ้ดวงชะตาตกต่ำอะไรท่ไรก็มันเขาว่าไปตามตำราเข า, าอืะ ม, มันคนเกิดวันนี้เดือนนี้เวลานี้อย่างนี้นี่เมื่อพอถึงคราวนี้นะมัน จ, จวบเหมาะกับพระเคราะห์อหือพระลาหูอะไรท่ออะไรมันก็ว่ากันไปนะ คนผู้ไม่หนักแน่นไม่รู้แจ้งเรื่องพุทธศาสนาดีมันก็หลงเชื่อเขาเนียกว่าเป็นชีวิตนี่เป็นไปตามเหตุภายนอกจริงๆนั่นไงก็ยอมให้เขาทำวิธีสะดเดาะเคราะห์เข้าไปเสียเงินเสียทองไปเปล่าเปล่าไม่ได้อะไร <c oughs> นอกจากเสียเงินเสียทองไปแล้วก็ ทำความเห็นให้ผิดวิดปริตไปจากความเป็นจริงอันนี้แหละมันตัวร้ายกาจต่ไม่เกิดความเห็นผิดไปแล้วดาเนินไปไม่ถูกทางแล้วนี่เรื่องอย่างนี้นะมันต้องพิจารณาให้รู้ให้เห็นด้วยตนเองกับใครของเราอืมไม่ใช่ว่าสอนให้เชื่อตามๆไปเฉยๆ ให้ต่างคนต่างพิจารณาให้มันเห็นแจ้งไปจากโดยตนเองแล้ววันั้นมันก็จะไม่ได้ถูกเขาหลอกลวงให้หลงเชื่องมงายไปต่างๆเนี่ยว่าตนของตนพึ่งตนเองคิดอย่างนั้นเราต้องพึ่งความดีของเราเองเราทําดีเราก็พึ่งความดีของเรานั่นแหละ เ้าอยู่ไปหวังพึ่งอะไรนั่นต้องสอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้ผู้ใดทำชั่วมันก็พึ่งความชั่วของเขาเนะมันก็เอาความชั่วนั้นเป็นพาหา น, นำไปแบบนั้นมันก็เหมือนกับขี่อยู่บนหลังเสือเนะี่ย มันจะแว่งมากักเมื่อใดก็ไม่รู้เลยมันต้องให้เข้าใจอย่างนี้สำหรับผู้นักถือพุทธศาสนานี่นะเมืม่อผู้ใดเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็ไม่เกียยคข้านสี่การประกอบคุณงามความดีนะไม่จำเป็นต้องให้ผู้อื่น มาบังคับปัญชามาตักมาเตือนอยู่เรื่อยถึงจะมีความเพียรได้อย่างนี้ถ้าเป็นเช่นนั้นนะครูนั้นแสดงว่าไม่รู้แจ้งในคำดีคำชั่วว่ามันเนื่องอยู่ในกับชีวิตของตนอย่างไรก็ไม่เห็นไม่เข้าใจถ้าเข้าใจว่าถ้าตนทำความดีมากๆ ตนก็จะมีความสุขมากๆอย่างนี้ใครอะไรจะไปนิ่งนอนใจเมื่อมันเห็นอย่างนี้แล้วนล้วก็พยายามทําบุญกุศลทําความดีให้มัน ม, มากขึ้นไปเผือ่อว่าตนจะได้มีความสุขยั่งยืนนานต่อไปอถ้าตนทําความดีน้อยตนก็มีความสุขน้อยความสุขอันนั้นก็ไปไม่ยืดไปหน่อยหนึ่งก็หมดแล้ว น, นั่นเอง เมื่อความสุขมันหมดไปความทุกข์ก็ขึ้นมาแทนนั่นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสไ้ว่าคนผู้ไม่มีบุญติดตัวนี่ทันไปตกนรกแล้วไม่มีทางขึ้นมาได้ไม่มีกําหนดปีเดือนวันคืนอะไรว่าเท่านั้นปีเท่านั้นเดือนเท่านั้นกลับเท่านั้นกันจะได้พ้นจากนรก ไม่มีเลยพระพุทธเจ้าตรัสไว้คนไม่ทำบุญอะไรเลยนี่นะนะตายแล้วมีแต่ลงนรกลูกเดียวนะ <c oughs> ลงนรกไยแล้วเขาไม่มีกําหนดวันที่จะพ้นได้มันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นจริงนะเพราะคนเราถ้าไม่มีความดีติดตัวแล้วอย่างนี้มันจะไปเกิดที่ไหนก็เกิดไม่ได้ อย่าว่าจะเกิดเป็นคนเลยแมติจะไปเกิดเป็นสัตว์มันก็เกิดไม่ได้นะมันต้องมีความดีอยู่ในตัวไม่มากก็น้อยอย่างนี้นะมันถึงได้ไปเกิดแต่ว่าการเกิดเป็นคนนี่มันต้องมีบุญกุศลมากพอสมควรเลยมันถึงมาเกิดเป็นคนได้ <c oughs> ถ้าคนบุญน้อยก็อย่างว่านั่นนี่ เกิดมาแล้วเขาไม่สมบูรณนะ์เป็นคนขี่กระจอกงอกง่อยทุกพละภาพทั้งร่างกายทั้งปัญญาสารพัดอ่อนแอไป ห, หมดเลยนั่นคนบุญน้อยนะั่นเราก็เห็นกันอยู่ไม่ใช่เหลื อ, อคนบุญมากนะกเกิดมาแล้วมันแสดง สติปัญญาให้คนได้เห็นทันดีแสแดงความฉลาดสามารถตั้งแต่เป็นเด็กเป็นเล็กรู่นนั่นะคนมีบุญมากมันเป็นปอย่างนั้นมันอย่างพระพุทธเจ้านะนะั้นพอพระชนมายุได้เจ็ดขวบเท่านั้นพระราชวิดาก็จ้างครู มาสอนศีลปวิ ธ, ธ, ธยาต่างๆให้ครูเพียงแต่สแสดงความรู้ความเหต น, นนั้นไปพระองค์ก็จำไปพร้อมเลยเพอครูว่าไปจบลงพระองค์ก็จำได้พร้อมเลยนู่นนะคนผู้มีบุญนะเป็นอย่างนี้แหละอาจารย์ผู้สอนก็เลยไม่หนักใจอะไรเลย เพราะสมัยก่อนนั้นท่านสอนกันมีดะสอนโดยปากเปล่าทั้งนั้นเลยผู้เรียนกับท้ อ, องตามดังนั้นให้พากันตื่นตัวใ้เรามันมาได้พบพระพุทธศาสนาอันประเสริฐอย่างนี้แล้ว ก็รีบเร่งฝึกตนเข้าไปอย่าไปนึกว่ามันจะไปถึงนิพพานง่ายๆก่อนเมื่อบุญยังไม่เต็มบริบูรณ์ตราบใดมันไปบุญไม่ได้เราพนานิพานเทียววันเรารีบเร่งสั่งสมบุญกุศลความดีเข้าไป mm hmm. ก็เพื่อให้มันบรรลุถึงนิพพานโดยเร็วต้องมุ่งอย่างนั้น เบื่อทอการเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกอันนี้พอเกิดมาแล้วก็ไม่เห็นได้อะไรนี่มีมีใครได้อะไรล่ะนั่นถ้าว่าได้เงินได้ทองได้แก้วได้แหวนมันมันจะได้อะไรไม่ได้อะไรหรอกแต่ถ้าว่าถ้าอายุชีวิตนี่มันแบ ยั่งยืนานานไปตลอดไดน้นู่เออก็จะว่าได้อยู่ได้สมบัติอันนั่นอันนี้มาแล้วก็ได้บริโภคใช้สอยอาศัยมันไปไม่มีทางหมดทางสิ้นเลยอย่างนี้นี่ก็สมควรอยู่ว่าจะถือว่าเราได้อันนั้นได้อันนี้นะอันนี้อะไรก็ได้อะไรมาแล้วหน่อยหนึ่งก็หนีจากภาคกันไปแล้วนี่ ถ้าสิ่งของอันนั้นไม่หมดไปตัวเองก็ตายไปออคนใดเกิดมาแล้วก็ตายไปสมบัติต่งางๆในโลกนี่มันก็สูญหายไปเอคนใดเกิดมามาหาเอาไม่ก็ามาอาศัยอยู่ชั่วระยะหนึ่งก็มาตายไปสมบัติอันนั้นก็สูญหายไปมันก็เป็นอยู่เนี่ยไม่มีใครได้อะไรนี่โลกอ น, นี้ มันต้องให้เข้าใจอย่างนี้เราพิจนาให้มันถึงความจริงของชีวิตถ้าเราพิจารณาเห็นถึงความจริงของชีวิตอย่างนี้แล้วตัณหาความทะเยอะทะยานอยากต่างๆก็เบาบางลงนั่นแหะก็มองดูแล้วอะไรก็ไม่ใช่ของเราสักอย่างเป็นได้พอได้อาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้น เมื่อเห็นแจ้งนี้เนี่ยมันจะไปถือมั่นทำไมอะมันก็ไม่ถือมั่นนะก็เพียงแต่สักว่ได้อาศัยอยู่เท่านั้นเองไม่ได้ถือว่าเป็นของเราถึงแม้เราจะได้อาศัยมันอยู่เช่นร่างกายอันนี้เนี่ยเมื่อเมื่อเราพีนาเห็นแจ้งประจักษ์แล้วนี่มันก็รู้ได้เลยเราเพียงแต่ขออาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเอง ไม่ใช่ว่าจะได้อยู่อาศัยร่างกายนี้ไปตลอดอนันตการไปไม่มีเราเพียงแค่มาอาศัยร่างกายอันนี้สั่งสมบุญกุศลคุณงามความดีให้เจริญองอกงามขึ้นในตนนั่นต้องคิดอย่างนี้ผู้ใดไม่คิดอย่างนี้มันก็จะเกลียดค้านมันจะไม่หมันไม่ขยัน ถ้าถ้าได้คิดเห็นอย่างว่านี้นะมันจะได้เตือนตนนะว่าร่างกายนี่เราไม่รู้วันเวลาที่มันจะแตกจกะดับเลยไม่ทราบมันจะแตกจกะดับวันไหนเราก็ไม่รู้อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเวลามันยังไม่แตกไม่ดับนี่เอากิจนะในที่ควรทํา <c oughs> ก็ทําให้มันเต็มความสามารถซะ ไม่เห็นแต่ความเหนื่อยไม่ล้าอย่างเดียวอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ทำความดีให้มากเลยถ้าไม่เหลือวิสัยจริงๆนะเราก็ไม่ท้อถอยมันเป็นอย่างนั้นถ้ามันเหลือวิสัยจริงๆก็จึงค่อยยุติการทำการงานต่างๆ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นจึงว่าผู้ที่เห็นแจ้งในพุทธศาสนานี้ก็หมายเอาความเห็นแจ้งในกรรมในผลของกรรมอย่างที่ว่ามานั่นนี่ยกรรมดีอย่างนี้ถ้าตนไม่ทำมันก็ไม่ได้กรรมชั่วก็เหมือนกันถ้าตนไม่ทำมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันทุกสิ่งทุกอย่างกรรมดีกรรมชั่วทั้งหลาย ตลอดถึงมรรคผลนิพพานมันก็มีใจนี่เป็นใหญ่เป็นประธานทั้งนั้นมีใจเป็นต้นเข้า<ม>เกิดจากกิตตรงนี้หมดทั้งนั้นเลยมันต้องสำรวมลงมานี่ <c oughs> ดังนั้นพระพุทธเจ้ า, างทรงได้ตรัสไปว่า เจตนาหังพิกาเวปุญญาวดามิดูก่อนพิสูจน์ไหลเราจะถาคตกล่าวว่าเจตนาดีนั่นแลเป็นตัวบุญเจตนาหังพิกาเวสีลังวดามิดูก่อนพิสูจน์ไหลเราจะถาคตกล่าวว่าเจตนาชั่ว น, นั่นแลเป็นตัวบาป ถ้าพูดง่ายๆว่าความคิดดีนั่นแหละเป็นตัวบุญความคิดชั่วนั่นแหละเป็นตัวบาสนี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เพราะฉะนั้นจึงว่าบุญบาปไม่ได้เกิดจากที่อื่นนี่เกิดจากความคิดของดวงกิดนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในพึงพากัน พิจารณาให้มันรู้มันเข้าใจให้มันเห็นแจ้งด้วยตนเองผู้ดใดเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ทําชั่วนีอืมันก็ชอบแต่ความดีเท่านั้นเนี่ยแล้วก็ไม่เกียดครานก็ความดีถ้าตนไม่ทํามันก็ไม่ได้อย่างนี้นะถ้าตนอยากมีความสูงามากก็ต้องทําความดีให้มากอมันก็ต้องเป็นคู่กันอย่างนั้นนะ ถ้าจะว่าอย่างหนึ่งกัความการทำความดีนั่นเป็นเหตุความสุขนั่นเป็นผลเป็นอย่างนั้นดังนั้นอย่าไปสงสัยรังเลยอย่างอื่นเลยอนร่างกายสังขารอันนี้ถึงแม้ว่าบุคคลจะไม่ทำการงานอะไรก็ช่างมันถึงเวลามันชำรุดมันก็ชำรุดทุดทรงไป ตามการเวลาของมันอย่างนั้นนั่นไงไม่ใช่ว่าต้องทำการงานอย่างนี้แล้วมันจึงชำรุดทรุดโทรงไปทาไมทำการทำงานอะไรมันจะอยู่ยั่งยืนนานไปอย่างนี้ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นแม้คนอยู่เปลาะเปล่าก็เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันนั่นไง ร่างกายก็สุดโทมเท่าแก่ชร า, าลงเหมือนกันนแต่พวกเจ้านายพวกขุนนางต่างๆพวกนั้นก็เพื่อนก็ไม่ได้ทำงานกำฝนทนแดดอะไรนักห <c oughs> นาเนี่ยได้ยุ่แต่ในรู้อ่ในวันสบายสบายอยู่นั้นแต่ก็ไม่พ้นจากความเจ็บป่วยไข้ไม่พ้นจากความแก่ชรา ให้มาหากว่าเจ็บแข้งเจ็บขาปวดเอวอะไรต่ออะไรมาเนีเพราะฉะนั้นร่างกายสังขารนี่ยังว่าคูณใดพี่นาเห็นอย่างว่านี่นะก็ต้องใช้มันทำความดีไปเลเอ่มันจะเหนื่อยยากลำบากบ้างก็ทนเอาอดเอาแต่มันก็เป็นการ ออกกำลังไปในตัวอร่างกายอันนี้มันก็เหมือนรถเหมือนเครื่องจักรเครื่องยนต์นั่นนะเครื่องจักรเครื่องยนต์ถ้าเก็บไว้นานๆไม่ได้ขึ้นสนิมเอาไปใช้งานไม่สะดวกแล้วเครื่องไม่ไม่แข็งแรงแล้วมันขึ้นสนิมแล้วมันฝืดได้บบนี้สตาร์ทก็ไม่ค่อยติดล่ะอนี่ว่า สรีระยนต์เครื่องยนต์คือร่างกายอันนี้มันก็เหมือนกับรถยนต์นั่นนี่ถ้ามีแต่นั่งนั่งนอนๆอนอยู่ไม่ทำอะไรอุ้ยไม่ไหวหรอกสักหน่อยก็มีแต่อ่อนเปรียเพรียงลงไปอันนี้จะเดินเหินไปมาไหนก็เหนื่อยแหละนี่มันเป็นงั้นเดีวนั้น มันต้องใช่มันทําความดีไปอมันสํารุดสุดซอมลงไปเมื่อไรมันหมดเขตมันเมื่อไรแล้วก็ทิ้งมันเมื่อนั้นเราใช้มันทําความดีแล้วเต็มที่แล้วอย่างนี้มันจะแตกก็แตกไปมันจะดับก็ดับไปแต่ตามเรื่องของมันเขามันมันบอกไม่ได้เนี่ยมันบังคับไม่ได้นะเออถึงบางคลจะร้องให้ลําไรยังไงมันก็ไม่ฟัง ถึงเวลามันจะแตกกระดับแล้วอย่างนั้นก่อนที่มันจะแตกกระดับนี้แล้วก็ใช้มันทำกิจที่ควรทำให้มันเต็มที่ีะเลย <c oughs> อย่างนี้แล้วก็เราก็ไม่กินแหนงแข็งใจนะเวลามาจุราชคือความตายมาถึงเข้าก็ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจ พ็เราได้ใช้ร่างกายนี้ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้เต็มความสามารถแล้ว <c oughs> บุญกุศลนั้นได้เท่าไรก็เท่านั้นแหละเพราะว่าเราทำเต็มที่แล้ว <c oughs> ถ้าผู้ใดมัวเมาประมาท <c oughs> เห็นแต่แก่ความเล็ดเลยเมื่อยล้า <c oughs> เห็นแต่ความเกียดคร้าน อย่างนี้นี่เมื่อเวลาความตายจะมาถึงเข้ามันจะนึกกินแหนงแทงใจว่าเมื่อเวลาที่เรามีกําลังเรี่ยวแรงดีอยู่ทําไมหนอจึงไม่ทําความดีจึงไม่นั่งสมาธิภาวนาเอจึงไม่ฝึกฝนอารมจิตนี่ให้มันสงบระ ง, งับให้มันเกิดความรู้ความฉลาด จะมาวิตกกำพึงเวลาจวนเจียนอย่างนั้นก็ไม่ได้เรื่องอะไรเลยนั่นเองก็มีแต่จะเสียอกเสียใจไปเสียใจว่าแต่เมื่อเวลามีกําลังเรียวแรงดีตนไม่ทําอะไรไม่ทําความดีไปทําแต่เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์นึกมาแล้วก็เสียใจแลยวบบนี้นะนั่นเมื่อเสียใจใจก็เศร้าหมองใจเศร้าหมองก็เป็นทุกข์ ตายไปก็เป็นทุกไปแล้ววันนี้ไปสู่โลกหน้าก็เป็นทุกไปแล้วเพ้าเวลาก่อนตายนี่ก็ใจมันก็ทุกอยู่แล้วมันหม่นหมองแล้วแต่ใจดวงเดียวนียเมื่อไปสู่โลกหน้ามันจะไม่เป็นทุกอย่างเลยแล้วถ้าผู้ใดปรปับปรุงใจมันดีให้มันฉลาดรู้เท่าสังขารต่างๆ ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณได้อย่างนี้ผู้นั้นก็ไม่เป็นทุกข์เวลาเจ็บหนักอยู่ก็ดีเวลาชวนจะตายอย่างนี้ก็ไม่เป็นทุกข์เมือม่อเมือม่อทำใจให้เป็นสุขสบายก่อนตายอย่างพอตายไปมันก็เป็นสุขสบายไปมันเป็นอย่างนั้น พอใจดวงเดียวนี้นี่ไม่ใช่หลายดวงอ่ะเราทำความเดียอรอะไรก็เพื่อจิตดวงเดียวนี้นะ <c oughs> ให้เข้าใจอย่างนั้นในค่ายเข้าใจรวบลัดตัดตอนเข้ามาอย่างนี้มันยิ่งไขยมันยิ ง, ย จ, งจัดสํารวมมันยิงจะสงเคราะห์ บุญกุศลความดีเข้าสู่ดวงกิจนี้แห่งเดียวกิจนี้ถ้าไม่มีบุญกุศลเป็นเครื่องอยู่แล้วก็หาความสบายไม่ได้เลยไม่มีความสบายไม่มีอืแต่ยังว่ามันมันอยู่วงว่างไม่ได้กิตนี้นะถ้าความดีหายไปความชั่วมันก็เข้ามาแทนนี่เมื่อความชั่วเข้ามาแทนมันก็มาลบกวนใจให้เป็นทุกข์เหงืองั้นเลย เพราะฉะนั้นพ well ึ่งพากันตั้งอกตั้งใจประกอบความเพียรภาวนาเข้าไปภาวนาอยู่ทุกเวลาเลยยืนเดินนั่งนอนทำกิจอะไรต่ออะไรก็ให้มีภาวนาอยู่งั้น มองเห็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาอยู่อย่างนั้นสังขารทั้งหลายรุน่นแต่เป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาหมดเลยให้ <c oughs> ความรู้ความเห็นอันนี้มันแจม่มอยู่ในใจเสมอไป <c oughs> ถ้าพระพุทธาหนดรู้กำหนดเห็นได้อยู่นี่ก็เรียกว่าผู้นั้นมีภาวนาอยู่นั่นเลยมีทั้งสมถะมีทั้งวิปัสนาเอ อ, เออพร้อมกันเลยนะ สมถะก็ใจตั้งมั่นต่อกุศลธรรมอยู่ น, นั่นนี่ใจไม่คิดไปทางอกุศลอวิปัสสนาก็คือจิตเห็นแจ้งในไตร ล, ลักษณะญาณอยู่ยนั่นอืใจไม่ลบเลือนจากไตร ล, ลักษณาา์ญาณคืออ น, นิจจังทุกขังอนัตตามันเห็นแจ่มแจ้งอยู่อย่างนั้นนั่นแหละทางวิปัสสนา เพราะฉะนั้นพึ่งเข้าใจกันให้มันแน่นอนในใจของตนในคำสอนของพระพุทธเจ้าดังกล่าวมานี่ขอจบลงเท่านี้